หวานใส่ป่าใส่ดงใยหวานใส่ลานหินข้าวมันก็ไม่งอกไม่งามต้องหวานลงไปเนื้อนาคือศรัทธามีความเพียรมาน่ามฝนชุ่มฉ่ำอยู่เสมอข้าวปลูกพันดิดีหวานลงไปเกิดมักเกิดผลเต็มมัก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 ยากอยู่ตรงไหนทุกอยู่ตรงไหนพิกมันลงไปอมลําบากเป็นยังไงพิกมันลงไปอั น, นวันนี้ชาวนาเขาก่อนที่จะปลูกข้าวเขาหว่านถั่วเห็นไหมทางไปแจ้งครอถั่วเขียวเต็มทุ่งนะออถั่วงามเขียว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 มองเลยเป็นเหมือนเขาว่าไหมมองหาคนคั่วหาโอ้ยไม่มีนะไม่เหมือนเขาว่านะเอ๊ไม่เห็นมีตรงไหนนะก็สงสารคนที่เขาว่าโอ้เขาไม่รู้นอะเขาจึงพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้โกรธเขาเลยเขาไม่รู้เขาจึงพูดคนไม่รู้เนี่ย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 ว่าเราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดเราจะขี้โทษแล้วขี้โทษอีกไม่มีหยุดเราจะทำกับพวกเธออย่างไม่ทะนทถนนมเหมือนช่างหม้อที่ทำกับหมออ้อยังเปียกยังติดอยู่ผู้ใดมีเก่นก็ทนอยู่ได้ผู้ใดไม่มีเก่นก็ไปพระเจ้าอ่ะเนโอ้ลึกซึ้งมาก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 ต่อมาต่อมาประชมุมกันใหม่สีแก่นขนุนมาเนะี่ยแก่นขนุนมาหาง่ายเขาผิดไม่ต้องย่อมเขาผิดมาเขาถวายเยอะเขาถวายเยอะเขาไปมาก็หาได้ง่ายก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสีแกน่นแก่นขนุนแต่ก่อนก็สีหลังตะขาบสีแดงแ่งเข้มๆอันนี้ไม่ต้องย่อมสีแก่นขนุนต้องเอาเปลือกเข็ง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 ในโลกนีนไม่ใช่เราอยู่คนเดียวมันต้องสู้แต่ต้องสู้จกิงๆโลกทุกวันนะมันแสบเผ็ดถ้าใครไม่เก่งก็อยู่ลำบากถูกโลกทับถมได้ง่ายฝึกเอาไว้วิทยายุทธวกเรองถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่มีคุณภาพอะไรๆก็ตามก่อนที่จะมีคุณภาพต้องฝึก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 ลากไปตามโคกตามป่าไปจินยาไป ล, ลากไปอย่างนั้นตอนเย็นก็ลากมาเข้ า, ขาโอกโคกติดคอยู่นัสองวันสามวันเออไปมาผมก็รู้จักเอางานเอาการแต่พอทำให ม, ม่จับใส่กล้อใส่เกลียนมันนอนไม่เอาเลยประยุ์ไม่เอานอนไต้ก็ไม่ไปอ่าไม่เป็นไรไม่ต้องไปบงังคับมันเอา